เฉยๆดูประเทศเราอย่างไเวลาอย่าติดติดช็อรวมกันเหตุเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือธรรมาแั้วธรรมานี่นามมาแหละจะช่วยให้เราคนจับกลับตุกได้ในโลกมีชีวิตมันเต็มไปด้วยความทุกนะที่ไหนที่ไนมนทุกข์กัน้น่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 กับการปฏิบัติก็ความทุกข์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมานะเราก็แสวงหาความสุขมาเรื่อยๆเราปรารถนาความสุขกับทุกคนนี่ความสุขเหมือนเหมือนภาพลงตาเหมือนเหมือนจะได้มาแต่ก็หายไ ป, เ, ปไหเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาไล่เท่าไหรเท่าไรก็ไม่เจอจับไม่ได้สัิทีเหมือนอยู่ข้างหน้าอีกนิดเดียวก็ถึงแนละ้ว หล่อให้เราวิหให้เราตามหาแต่ละคนก็นที่เราตามหาก่อนสุขนะความสุขอยู่ไหนไม่รู้เราตามหากับสุมนะาตอนเด็กเอตอนเด็กเราก็คิดว่าถ้าเร า, เ ร, าเรียนนักสึกจบนะเราทํามาหากินได้เองชีวิตเราจะมีอิสระไม่ต้องอยู่ใต้พ่อใต้แม่ใต้ผู้ใหญ่มาสั่งเราพอเรียนจบเข้าจริงๆนะมันก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดไว เราวิ่งหางานทําอีกนะได้งานทํากะว่าตําแหน่งใหญ่ๆแล้วจะมีความสุขนะมันก็ไม่ค่อยสุขจริงอรอกมีเงินเดือนเยอะๆ เ, เรกะว่าจะมีความสุขนะมันก็ไม่สุขจริงนะมันชีวิตเงียบเหงาชีวิตว่าวเวยนะต้องหาแฟนหาคู่ครองมีแฟนแล้วนะมันจะมีความสุขหนระือจริงๆเราได้อะไรมานะเราก็จะเสียอะไรบางอย่างไป ต, ตลอดเวลา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 มีลูกแล้วก็ต้องหวังอีกนะว่ลูกต้องเก่งๆลูกต้องฉลาดลูกต้องดีเกิดลูกมันไม่ดีลูกมันไม่เก่งลูกมันไม่ฉลาดนั่นกะ็ทุกข์อีกแล้วเราแสวงหาไปเรื่อยๆนะจนเราแก่พอเราแก่แล้วเราก็เริ่มหวังอีกนะวันไหนมันไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่ยวยก็คงจะมีความสุขเนี่ยความสุขเหมือนภาพโวงตานะฮามันตั้งแต่เด็กนะจนแก่แล้วแก่แล้วมันก็ทุกข์อีกนะร่างกาย เย่อตัวผิดท่านี้เดียวก็ยอกแล้วไม่มีใครก็ทําทอะไรเขาจะตายเองอยู่แล้วลําบากใครเคยไปตามโรงพยาบาลเคยเห็นคนเจ็บหนักๆไหมคนเจ็บหนักๆ น, นะทุรนทุรายบางคนอยากตายให้พน้นทุกขพน้นร้อนเห็น ไ, ไหมสแสวงหาความสุขมาชั่วชีวิตนะสุดท้ายอยากตายให้มันพน้พนทุกขพน้นร้อนแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนอะ่ะ หวังว่าตายแล้วคงจะมีความสุขนะเพราะว่าการเจ็บหนักๆไม่มีความสุขความสุขมันเป็นภาพหลงตาอยู่ตลอดเวลาหลอกให้เราวิ่งหลอกให้เราแสวงหาอยู่ตลอดเวลาทำไมใจเราไม่เต็มอิ่มใจเราไม่รู้จักพอใจที่มันไม่อิ่มใจมันไม่พอนะมันก็วิ่งไปเรื่อยเหนื่อยนะถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นในจิตนี้มันทางานทั้งวันจิตมันทางานอยู่ทั้งคืนไม่เคยหยุดเลย จิตมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากน้นเดี๋ยวอยากนี้อยากเราก็ดินด้นดิ้นรนไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงก็ต้องดิ้นอีกดิ้นแล้วดิ้นอีกไปเรนะื่อยนี่ถ้าเราหัดภาวนานะเราก็รู้เราก็ได้เจ้าสอนนะความจริงชีวิตมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขหรอกงั้นอย่าไปเที่ยวแสวงหาความสุขเลยไม่เจอ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 แ้าไม่ได้จบอยู่แค่ว่าโลกเป็นทุกข์เราก็ยอมจำนวนไม่มีทางออกแค่นั้นไม่เก่งจริงหรอกมือนมือระดับพระพุทธเจ้านะท่านบอกวิธีที่จะจอยู่กับโลกแบบไม่ทุกข์ก็ได้ด้วยถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดนะเราจะอยู่กับโลกแบบไม่มีความทุกข์เลยพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์เหแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะจิตใจมีแต่ความโปร่งโล่งเบาจิตใจเป็นอิสระ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 ถ้าเพื่อนไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะเข ก, กลุ่มใจเพื่อจะให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มนะทำอะไรตามเข้าไปก็ได้เขาเกเรก็ตามเกเรกับเข้าไปด้วยนะเพื่อจะได้เป็นพวกเดียวกันเห็นไหมเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะมาทํางานเราก็ต้องมีพวกท้องนะมีเพื่อนมีฝูมีอะไรถ้าเขาไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะเขาอยู่ไม่ไหวอีกลนะําบากแล้วไม่มีอิสระนะมนมุษย์หาอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้เลย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 บางคนหลวงพ่ออยู่ใกล้สวนเสือที่สวนเสือนะเขาก็เลี้ยงเสือไว้เยอะแยะเลยทําไมเขาอยู่กับเสือได้ในสวนเสือนะมีซุ้มอยู่ซุ้มหนึ่งชื่อซุ้มนางพญาแมงป่องแต่ก่อนเคยเข้าไปดูทีหนึ่งเราก็นึกว่าเป็นแมงป่องยักษ์เปาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่กับแมงป่องแค่แต่เองแหละนางพญาแมงป่องถ้าเรารู้จักทุกนะเราจะอยู่กับทุกได้โดยที่ทุกมันไม่ทําร้ายเรา ทุกมันอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้จักทุกแล้วเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทุกมันอยู่ที่ไหนทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจทุกมันอยู่ที่โต๊ะไหมมีไหมหรือทุกมันอยู่ที่ไมโครโฟนทุกมันอยู่ที่เก้าอี้มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจนะงนั้นถ้าเราอยากรู้จักความทุกข์ที่แท้จริงนะจะทาความเข้าใจมันแล้วก็เราค่อยมารู้อยู่ที่กายที่ใจและหลักการปฏิบัติ ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะขีดวงไว้เลยเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือตัวทุก์นั่นเองสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์หลายองค์นะองค์หนึ่งคืออาจารย์มหาบัวท่านอาจารย์มหาบัวเดี๋ยวนี้เรียกกันหลวงตาหลวงตาบัวเรียกอะไรงั้นหลวงตามหาบัวท่านเคยสอนว่าการปฏิบัติเนี่ยนะให้มีสติรู้กายรู้ใจ ทำความเป็นจริงอย่าให้เกินใจเกินใจออกไปนะคือเรียนรู้ทุก น, นั่นเองทุกมันอยู่ที่กายเราเรียนรู้อยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจเราเรียนรู้อยู่ที่ใจความทุกข์ทางกายนะั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วยังไรไงก็หนีความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้ถึงจุดสุดทา้ายทุกคนจะต้องถูกความทุกข์ทางร่างกายนี่บีบคั้นจนตายทุกคนเลยนะไม่มีคนไหนรอดเลยนะเพราะความทุกข์มันบีบคั้นสุดจิตก็ต้องตาย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 นี่เป็นเรื่องจริงของชีวิตไม่มีใครไม่พลาดพลาดจากคนที่เรารักอย่างพ่อแม่เรารักเรานะปู่ย่าตายายเรารักเราคนเหล่านี้ตายไปหมดแล้วเราเป็นที่รักของเขาเหล่านั้นของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็สูญเสียไปแล้วไม่ใช่เราเสียท่านข้างเดียวนะท่านก็เสียเราไปด้วยใช่มั้นชีวิตนะั้นลงท้ายมันสูญเสียถ้าใจอยอมรับไม่ได้จะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปก็ทุรนทุรายมาก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 สั่งได้ลองสั่งได้นั่งเฉยๆเราอย่าเมื่อยนะลองดูลองนั่งดูสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแล้วก็ตอบคำถามแล้วเดี๋ยวจะไปละเนี่ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมเราสั่งไม่ได้อย่าเมื่อยห้ามได้ไหมไม่ได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าหิวอย่ากระหายอย่าร้อนอย่าหนาวสั่งไม่ได้สักอันหนึ่งไม่ต้องพูดถึงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะแค่ว่าอย่าเมื่อยอย่าปวดแค่นี้ก็ห้ามมันไม่ได้แล้ว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 กูเก่งนะกูภาวนาจิตกูนิ่งตลอดเวลาไนะฟร้องแล้วเสียงค่อยดีขึ้นหน่อยนะ <c oughs> รู้สึกไหมหลวงพ่อพูดทีเดียวใจเรากะชอกหรืออับไหมนะให้รู้ทันนะรู้ทันกลับมาเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> นี่ต้องโทษการไฟฟ้าไม่ใช่โทษการปร่านี่ไฟไม่คงที่นะแล้วเรามาหัดนะหัดมีสติแต่ไม่ใช่เอาสติเพ่งกายเพ่งใจ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 เราจะมหัดจเจริญวิปัสสนานะขั้นแรกเลยต้องหัดให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจก่อนถ้าเราลืมไปใจลอยไปเราก็ลืมกายลืมใจนะถ้าไม่มีสติแล้วมาเพ่งอยู่ที่กายกายนิ่งๆใจนิ่งๆไม่แสดงใจรักก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาอีกนะสติเนะี่ยทำหน้านที่แค่เราลึกอย่าเอาสติไปเพ่งนะถ้าสติเพ่งแลนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาแสดงตัวออกมาไม่ได้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 นะอย่างที่ใช้ได้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมา ท, ทันทีเลยร่างกายที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะโป่งเข้าโป่งออกนะเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็พองไปนะไม่ใช่ตัวเราหรอกนะนี้ถ้ามาดูจิตใจเราอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะปล่อยให้จิตมันทํางานไปตามธรรมชาตินี่แหละจิตเดี๋ยวก็สศกจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ตาย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 แต่ถ้ามีปัญญาด้วยเราจะเห็นเลยร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุที่กระเพื่อมเข้ากับเพื่อมออร่างกายที่หายใจก็เป็นแค่วัตถุจิตใจนะก็เป็นนมามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดเกิดดับดตลอดเวลา เ, เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้เรียนอย่างนี้เราจะได้อะไรมันจะเริ่มเกิดปัญญาน้ำสะสมปัญญาไปทีละน้อยทีละน้อย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 การที่เห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้าอีกนะเกิดปัญญาใจมันยอมรับความจริงแล้วว่าทั้งกายทั้งใจนี่เป็นของไม่เจี่งนะทั้งกายทั้งใจเนี่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจเราก็ถูกกิเลสบีบคั้นทั้งวันนะอยากน้อนอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็บังคับมันไม่ได้จริงเนี่คือการเจริญสตินะเพื่อให้เกิดปัญญามีสติรู้กายรู้ใจดูเขาทํางานไปอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะคอยฝึกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งปัญญาก็เกิด มันจะเห็นเลยความจริงของชีวิตนะกายนี้ก็ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะเป็นแค่สภาวธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นวัตถนะุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจิตใจก็เป็นนำ ม, มาทำนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ด้วยอย่างนี้ปล่อยๆนะใจยอมรับเมื่อไหร่ก็ได้เป็นพระโสดาบันนะเพราะพระโสดาบันเนี่ยคือท่านผู้เห็นความจริงว่า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 ไม่ได้เรียนเพื่อได้สิ่งอื่นไม่ใช่เรียนเพื่อว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะยังไงก็แก่อย่งไรก็เจ็บไงก็ตายพระพุทธเจ้ายังปรินิพานเลยนะไม่ใช่ว่าจะนั่งน้ตนานไม่ปวดไม่เมื่อยนะใครอยากนั่งนานนานไม่ปวดไม่เมื่อยก็ให้หมอเขาบล็อกไขสันหลังซะนะหรือก็เป็นอัมพาตซะนอนแง่งแมงน่ากระดุกกระดิกไม่ได้อะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเราใช้ การกระทบอารมณ์ในชีวิตของเราเนี่ยแ ะ, ะเวลาจะหัดภาวนาจริงๆอ่ะไม่ใช่ยากอย่างที่คิดหรอกใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละตาเรามองเห็นใช่ไหมอย่างเราเห็นคนนี้ขึ้นมาเราดีใจเห็นคนนี้ขึ้นมาเราเกลียดนี่เราดูใจของเราก็ได้ใจเราเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันดีใจมันเสียใจมันสุขมันทุกข์นะมันเกิดจากการกระทบอารมณ์ทั้งสิ้นเลย ได้ยินเสียงคนนี้อย่างหลวงพ่อแก่แล้วนะได้ยินเสียงเพลงของเด็กวัยรุ่นเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่แกล้งว่านะฟังไม่รู้เรื่องจริ ง, รงๆเลยเสียงคล้ายหมากัดกันยังไงคุณฟังไม่ออกอะ่ะไม่รู้ว่ามันร้องอะไรนะฟังแล้วรำคาญเนี่ยฉะนั้นเราได้ยินเสียงเพลงที่เรารำคาญนะได้ยินเสียงเพลงครูเ e อื้อสมัยปลูกหญาตาใยาญย่เลยโอ้ oh, แหมมันเพลาะนะใจเราชอบเห็นไหมหูเราได้ยินเสียงเนี่ยใจเราก็เปลี่ยน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 กระทบแล้วยินดีขึ้นมาก็รู้ทันกระทบแล้วยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันแล้วจะเห็นด้วยใจเรานีิแกว่งทั้งวันเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเดยเด๋ยวโลบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่โลบ ไ, ไม่โกรธไม่หลงดูความเปลี่ยนแปลงทำนี้ตัดสนากรรมฐานเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจนะอะไรก็ได้ดูกาย ก, ายก็ได้ดูใจก็ได้ขอให้ดูในกายในใจอย่าเกินกายเกินใจออกไป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 ก็ได้แต่ทําใจให้นิ่งแต่ทุกวันก็ฝึกให้นิ่งนิ่งไปเรื่อยนะจะมาเจอหลวงปู่ดูลตอนนั้นอายุ29มาเจอหลวงปู่ดูล น, นะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันทํางานฝนะึกอยู่ในชีวิตธรรมดาในชีวิตของคราวาะนี่เองตอนนั้นรับราชการอยู่นะรับราชการมีพวกเราใครเป็นราชการหรือรับวิสาหกิจลองยกมือให้ดูซิมีม้ไหมนะ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 <'s like> <artist> <laughs> <laughs> ไม่ใช่เรื่องเลยใจเราเปลี่ยนตาเรามองเห็นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมฟังเพลงนี้ชอบเพลงนี้ไม่ชอบใจเราเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นนี่ยกำลังหิวข้าวอยู่ได้กลิ่นไข่เจียวลอยมาโอ้น่ากินใช่ไหมกํลาลังอิ่มจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วได้กลิ่นไข่เจียวลอยมาลอยมาไม่อยากกินแล้วใช่ไหมเสียอิสฉาเอียนละนี่กลิ่นมากระทบนะใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้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 ถ้าไม่ได้ยินเดี๋ย ว, วันที่ตายแล้วนะตอนพระชักนอนสุรุจะได้ยินนะเตสังูปะสโมสุโขสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยสงบจะได้จะเป็นสุขความปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่สังขารที่นอนอยู่ในโรงนะใจเรานี่แหละปรุงแต่งทั้งวันนะถ้าเมื่อไรใจนี้ก้วาว พ, พ้นความปรุงแต่งไปเฮ้ยพลาอาหารนั่นแะใจจะก้าวพ้นความปรุงแต่งไปสุขท่านก็เป็นกลางนะทุกข์ไม่มี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 ว่าจะยอมรับได้นะก็ต้องสู้กันหนักหน่อยตามรู้ตามดูของจริงในกายในใจไปโดยเฉพาะพวกเราเป็นคนในเมืองคนในเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะคือดูใจของเราเจิตใจเราแกว่งทั้งวัน เ, นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยจนวันนึงเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนี่สอนเอาแค่โสดาพอนะวันนี้มากกว่านี้เดี๋ยวก็ฟุ้งไปเอาไว้ได้โสดาแล้วมาเรียนต่อ เชิญใครจะถามใครฟุงร้งซานบ้างยกมือสิเห็นไหมใจดีพิคิดใครใครใครจะถามนะเห็นไหมใจเราส่ส่ายสาย่ไปเรื่อยฮัลโหล ม, มสการหลวงพ่อครับก็อยากได้หลวงพ่อทุกแรงเลยครับทุกแรงแหรงเลยเหรอครับผมจิตมีโมหะดูออกไหมดูออกครับจิตมันมืดจิต ม, มันมัว จิตมันไม่สงบดวออกไหดวกครับจิตมันไม่เป็นกลางดวออกไหมดวกครับมันไม่เป็นกลางมันก็ดิน้นถ้ามันเห็นแล้วมันเป็นกลางมันก็ไม่ดิน้นนะดูทุกอย่างนะรู้ทุกอย่างอย่างที่จิตมันเป็นแต่รู้ด้วยความเป็นกลางแ <c oughs> อที่คิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับ <c oughs> เออรู้สึกแล้วก็อย่าหลงนานอืม <c oughs> ครับอย่าเพยงอยู่อ่ะไปต่อไป บางคนงงนะส่งกันบ้านเลยอฟังไม่รู้เรื่องอยากรู้เรื่องก็ภาวนาสินะอะอยากให้ทุกแรงแรงทุบอีกแล้วนี่มันรอบ ก, กันบ้านกันชัดๆเลยนะเขาหนูจะเด่นความฟุ้งซ่านค่ะหลวงพ่อจะเห็นว่ามันฟุ้งทั้งวันเลยค่ะอยากห้ามมันไหมไม่อยากไม่ชอบ<ม>หรือว่ชอบฟุ้งสนุกดีมันเบื่อมันฟุ้งจนเบื่อค่ะนั่น<อ>แหละมันเบื่อเพราะใจเราไม่เป็นกลางใจมันฟุ้งนะ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 ครูบาอาจารยองหนึ่งของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศสิ้นไปนานละนะหลวงปู่เทศบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงถ้าเรายังไม่เป็นกลางใจก็ยังดิ้นอยู่ใจดิ้นอยู่ใจก็ยังทุกข์อยู่หนะลวงพ่อคะหนูเหมาะกับรูปแบบไหนคะพยายามกระตุกกระดิกแล้วรู้สึกตัวบ่อยๆนะใจเราฟุ้งมากต้องเอาร่างกายมาช่วยหน่อยนักมาสการทนหลวงพ่ออยากถามสองคำถามนะคะ่ะ ตื่นเต้นเหมือนคนอื่นทัองทั่วธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้น <c oughs> เจอหลวงพ่อนะยิ่งกว่าเจอดาราอีกแล้วแม่ <c oughs> ยกเว้นมีดาราอยู่คนเดียวถ้าเจอแล้วจะตื่นเต้นมากกว่าหลวงพ่อคือไมเคลื่อนจักสัน <c oughs> <c oughs> ถ้าเจอตรงนี้คงวิ่งเลยนะ มีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนติดอยู่เหมือนที่พระอาจารย์บอกติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่คือติดทุกฝั่งเลยอะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองทำอะไรที่ยังที่ที่ดูแล้วยังพลาดอยู่มันเกิดจากการจงใจปฏิบัติก็จงใจปฏิบัตินั่นก็คอยผิดจ้องไั้ใจก็ติดทื่อๆ อ, อยู่ เพราะงั้นถ้าใจอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากนะแล้วดูไปเอาคุณไปดูนะใจมีความอยากใดๆเกิดขึ้นคอยรู้ทันบ่อยๆไปดูตัวนี้ไปแล้วอีกคําถามอะคะ่ะเป็นคนขี้เกียจมากไม่ยอมออสวดมนต์นะคะไม่ปฏิบัติตามรูปแบบอะคะ่ะก็ไม่รู้จะมไม่เป็นไรเราขี้เกียจล้วไม่ปฏิบัติแล้วก็ทุกไปก่อนอยุติธรรมนะ ยุที่ทําที่สุดเลยธรรมะต้องทำเอาเองนะอดทนหน่อยมันไม่มีใครหลอกอยู่ก็พาวนาเก่งอยู่ๆก็ พ, น, กกพนทุกนะอดทนเอาสู้เอาเชียร์นะสู้ตาย <laughs> เอาดูป ที่ที่ผมทำอยู่เป็นไงมัางครับอย่าเพ่งสินะปล่อยไปแต่ว่าที่คุณภาวนาอยู่ตอนที่ไม่เจอหลวงพ่อเนี้ยเริ่มใช้ได้แล้วใจมันเริ่มตื่นใจแอบไปคิดทราบไหมทราบครับใจดีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างเนี้ยตอนนี้เพ่งอยู่ทราบไหมทราบครับทราบอย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องแก้มหรอกต่อไปนี่นคนที่ภาวนานะไม่ถามยาวอะ คนที่ถามยาวคือพวกชอบเล่าพวงสวสดานเนี่ยไม่ค่อยภาวนานอกจารหลวงพ่อค่ะดูกลดูจิตมาประมาณปีนึงเราจะลอฟังซีดีจริงๆเราจะดูได้สองแบบคือแบบแรกคือที่เห็นบ่อยคือความอยากเห็นพอเห็นความอยากแล้วมันจะดับทันทีเลยค่ะแบบที่ส <c oughs> เห็นความอยากแล้วอะไรนะความอยากดับทันทีเลยค่ะออถูกต้องแบบที่สองคือเห็นความเจ็บนี่ที่พอจะดูทันว่าจิตจะเป็นผู้รู้แล้วก็ไปรู้ความเจ็บที่แทรกเข้ามาอ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 รู้แล้วไม่ดับพราความทุกข์ไม่ใช่กิเลส<ช>คนะขันกัน<ช><ช>เพราะฉะนั้นความทุกข์เป็นวิบากไม่ดับหรอก<ช>บางช่วงก็มีอาการเบื่อนี่ไม่ทราบเบื่อเพราะปัญญาหรือว่าเบื่อเพราะเบื่อเพรา ะ, ะโทสะ <c oughs> ใจยังไม่เป็นกลางจริง<ช>รู้สึกไหมเบื่อ่อยากๆ<ช>อย่ามาหลอกเราไม่ใด้กินหรอก <c oughs> บางทีเวลาภาวนาไปรู้สึกว่ามีก้อนอยู่ตรงกลางอกอะค่ะบางทีก็ปวดัตบางทีก็แสบอันนั้นก<ผ>็จ ง, จงใจปฏิบัติ<ม>ถ้าเมื่อไรเราบังคับจิตใจของตัวเองน้ํำจะแน่นขึ้นมาที่กลางอกนะถ้าให้บังคับมันก็คลายออกแต่หัดใหม่ๆก็แน่นทุกรายก็ให้รู้ไปว่าอยากให้หายใช่เห็นไหมนี่ใช้ได้ล้วรู้ว่าไม่เป็นกลางนะอยากให้หายคือมันไม่เป็นกลางเลยดีฟรีขับนมัสการหลวงพ่อครับ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 แล้วว่าความการที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตมันมันทำให้เราหลงแต่เพลิดเพลินมากไปมันเป็นคนๆนะบางคนประสบความสาเร็จไม่หลงก็มีค่ะหลวงพ่อคะออหนูควรจะทำเหตุอย่างไรให้มันดีกว่านี้อะคะขยันดูนะดูทุกวันดูจิตไปนะรักษาสีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ซ้อมทำในรูปแบบทุกวันทุกวั น, นเช่นนั่งสวดมนต์ไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้เงี้ย พอเรามาอยู่ในชีวิตประจาวันพอใจลอยปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยต้องทำเหตุมันต้องซ้อมอคนต่อไปอย่าประมาทนะหนูนเวลามันเจอปัญหาเนี่ยกิเลสแรงๆยังกลับมาได้อีกนะก่ะหลวงพ่อค่ ะ, ะเป็นนักเรียนซีดีค่ะปฏิบัติมา ไ, ได้ได้ประมาณปีหนึ่งค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูนิดนึงค่ะว่าต้อง ดูไปๆเห็นไหมใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะดูไปรู hmm. ้จักใจลอยไหมใให้ใจให้กันบ้านนะเ้าใจลอยแล้วรู้ไวๆดูตัวนี้ไหม้าใจลอยเก่งอ่ะต่อไปน่จะานเจ้าค่ะหลงพอคือว่าพยายามจะตามดูแต่ว่าก็ดูได้ยังไม่ค่อยดีอ่ะก็ ใช้ใช้เด็กที่หลงพ่อเทศนะคะใช้บริกรรมว่าแบบสมม ด, ดูกายใช่ไหมคะก็ว่าถ้ากายเคลื่อนเคลื่อนหมายใจเป็นคนดูทําอย่างนี้ตลอดอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะได้แต่อย่าเพ่งนะอ๋อคือมั น, ม, นมันก็ไม่รู้ทํำยังไงคือคือว่ามันให้รู้ความรู้สึกส ด, ส ด, สดร้อนรอนหน่อยนะตอนนี้รู้สึกยังไงเใช่ไหม อย่างตอนนี้เรารู้สึกคับข้องใจคับข้องใจขึ้นมาเราก็รู้ว่าี่จะภานาไงดีนี่ก็ไม่ได้นี่นะใจมีความคับข้องใจเกิดขึ้นรู้ว่าขับข้องใจแค่นี้เองรู้สึกไหมใจสงบกว่าเมื่อกี้แล้วแค่รู้ทันนะมันจะสลายตัวไปใจมันจะรู้ใจมันตื่นเบิกบานขึ้นมาคแล้วไม่ทราบว่าหนูควจะทํำวิหารธรรมอะไรดีครับดูไปนี่แหละกายบ้างใจบ้างนะต่อไป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 ถ้รารหัดบริกรรมพุโทโธนะพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธแล้วเพ่งให้จิตนิ่งลองกับวิธีนี้หนะึ่งแล้วคุณจะเห็นเลยพุโทโธพุโทโธนะจิตไหลแว บ, บไปแล้วเราต้องมาพุโทโธพุโทโธจิตไหลอีกแวบเนี้ยต่อไปพอจิตไม่ขยับตัวนะเราเห็นเลยนะมันจะสงบของมานเองขาคุณทําตอนนี้มันเป็นสมถะเยอะไปนะมันจะไม่เดินปัญญามันจะนิ่ง รู้สึกแมมจะนิ่งๆใช่ครับถ้านนิ่งอย่างนี้นะกี่ปีก็อยู่ตรงเนี้ได้ครับ <laughs> ได้แค่นั้นเขาสมถามันทําได้แค่นั้นคือได้ความสงบนะนี่ความสงบอย่างเดียวไม่พอหรอกวันใดวันหนึ่งกําลังของสมถาตกไปความทุกข์มันก็กลับมาอีกแตนะ่เพื่อเรามาหาัดเจริญปัญญาแทนที่เราจะพุทโธให้จิตนิ่งเรามาพุทโธแล้วรู้ทันจิตดิพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆอย่พุทโธจริงจังเขาคุ้จริงจังไป ทำอะไรให้ง่ายๆกว่านี้ออกจากบ้านนะครับทําตัวให้สบายกว่านี้แข็งไปทำไมกายถึงกระเห็นกายกระตุกได้เองนะครับบางทีเพ่งมากๆากก็กระตุกนะแล้วบางทีไม่ต้องทําอะไรมันก็กระตุกออกมาเองมันก็กระตุกกันทั้งวันนั่นแหละพุทโธแล้วก็คอยสังเกตจิตเขาเขาเองไม่ใช่พุทโธเล่นเล่นเพราะจิตมันแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่พุทโธเราเพ่งจิตนะ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 เนี่ยรู้สึกไหมตรงเนี้ยที่ถูกต้องรู้สึกสบายจังครับนั่นแหละตรงนั้นนะ่ะจิตที่มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้เคร่งเครียดใช่ไหมถ้าจิตเป็นผู้เคร่งเครียดก็ไม่เรียกว่าเป็นพู้โธหรอกพู้โตตัวปลอมไปยิ้มบ่อยๆไว้คนต่อไปกราบธรรสการหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อพระฟังซีดีแล้วก็จเจริญภาวนามาปีกว่าตอนนี้เพิ่มในรูปแบบ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 ไตเติ้ลเราก็รู้ล้วอย่าลงอย่างเงี้ยอ่ะนรส ก, การครับปฏิบัติกับฟังสีดีมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับก็เห็นสภาวะสังเกตไหใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยๆอย่างเงี้ยใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ได้ภาวนาให้ใจนิง่งแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าใจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆรเริ่มเริ่มเห็นสภาวะแล้ว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 ภาวนาแล้วทำไมใจเสื่องซึมคงที่อยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเห็นใจรักษ์กลายเป็นเห็นอัปปะลักษ์คือนิ่งๆซื่อบื้ออยู่อย่างนี้นใช่อย่างนี้ผิดละ ดังนะนั้นโยนิโสมนานัสิกาเนี่ยเป็นความช่างสังเกตของเรานะโดยมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรลัด ฐ, ฐานท่านสอนให้เรารู้กายรู้ใจเนี่ยตอนนี้เรารู้กายรู้ใจจริงไหมหรือเราลืมกายลืมใจอยู่เรื่อยๆบางคนภาวนาไปแล้วไปติดอยู่ในความโล่งความว่างว่างๆว่า ง, า ง, างทั้งวันนะไม่ได้ดูกายดูใจแต่ถ้ามีโยนิโสมนานัสิกาที่เขจะรู้ว่าทําผิดแล้วไม่ดูกายไม่รู้ใจบางคนมารู้กายรู้ใจแล้วก็ทื่อๆนิ่งๆไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเนี่ย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 งั้ถ้าเราห่างครูบาอาจารย์เนี่ยต้องใช้ความสังเกตนะว่าเราได้รู้กายรู้ใจจริงไหมหรือเราไปบังคับกายบังคับใจเรารู้กายรู้ใจแล้วเราเห็นให้ใ จ, ใ ห, ใ, จให้ใจเขาทางานไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปกดให้นะิ่งใครรู้อย่างนี้บ่อยๆจะช่วยเราได้เยอะนะครับครับหลวงพ่ออยู่ห่างครูบาอาจารย์นะก่อนครูบาอบาจารย์อยู่อีสานะ่ะ นานกว่าจะได้ไปทีหนึ่งสามเดือนสี่เดือนนะต้องรอนะมาฆะวิสาขะเนี่ยเข้าพรรษ า, า, า, าแล้วก็วันเฉลิมในช่วงนี้แหละเราก็จะลาหัวลาท้ายอะไรเงี้ยได้เยอะหน่อยไปหาคูบาอาจารย์สามสี่เดือนถึงจะได้ไปหาท่านครั้งหนึ่งเวลาที่เหลือเนี่ยเราใช้ความสังเกตเอาใจเราไปติดไปข้องไปนิ่งไปซึมไปทื่ออะไรไหมหรือว่าสบายมีแต่ความสุขภาวนาแล้วจิตมีความสุขตลอดวันตลอดคืนตอ้องผิดแล้วละ่ะ ทำไมไม่เห็นทุกข์เห็นแต่ความสุขมันก็ต้องผิดนั่นแหละพพเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่ามันทุกขนะ์ดูจากคำสอนพระพุทธเจ้ า, เาต่อไปหลักธัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจิตของลูกขณะนี้เป็นอย่างไรออบา้างเจ้าค่ะขณะนี้กดไหมหน่อยนะตื่นเต้นเลยไปข่มมันไวนะ้สังเกตไหมใจเราเนี่ยถ้าไม่ข่มไว้มันจะฟุง้งนซะ่าน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 เนี่ยสังเกตไห้ใจตอนนี้เบากว่าเมื่อกี้ไหมเนี่ดูไปนะใจเดี๋ยวก็หนักใจเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูความเปลี่ยนแปลงนะดูไปจนใจเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะคุงพระอาจารย์ค่ะเออได้ฝึกปฏิบัติมาหลายเดือนแล้วแต่รูส้สึกว่าหลงไปนานแล้วก็จิตใจไม่ค่อยมีแรงะค่ะเราซ้อมเดินจงกรมบ้างนะ สําเดินจงกรมเดินรู้สึกตัวเดินจงกรมไม่ใช่แปลว่าเดินกลับไปกลับมาเด<ม>ินจงกรมคือรู้สึกตัวหรือไปทํางานบ้านก็ได้หวาดบ้านถูกบ้านอะไรเงี้ยแต่เราเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหันบ่อยๆใจจะมีแรงมากขึ้นของคณแรงน้อยไปค่ะคุณจะทําในรูปแบบมากขึ้นเหมือนที่พแต่ถ้าทําในรูปแบบแล้วเคร่งเครียดนะไปทํางานบ้านทํางานบ้านดีนะ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 เ, เวลานั่งสมาธิเนี่ยจะรู้สึกฟุ้งซ่านมากไหมกระทั่งเดินจงกรมก็ฟุ้งซ่านไม่ห้ามเดินไปเราก็รู้ทันกายเดินไปเรารู้ทันใจถ้านั่งอยู่ก็รู้ทันกายรู้ทันใจร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าจิตฟ <c oughs> ุ้งซ่านเห็นมันฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบเห็นไหมใจไม่เป็นลลกลางให<ช><ช>้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้ต้องทําให้เป็นกลางไหมคะไม่ทํามันเป็นกลางเอง วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่มีคําว่าทำมีแต่คําว่ารู้ตามความเป็นจริงรนะไม่มีคําว่าทำเราจะไม่ดัดแปลงแก้ไขได้แต่ทางสิ้นต่อไปควรจะทําในรูแปแบบมากขึ้นใช่ใช่ทํางานนะดีที่สุดนะดีกว่าไปเดินจงกรมแบบซีเรียสถ้าเดินแล้วก็เครียดเครียดเงี้ยยิ่งแย่ใหญ่แต่บางคนก็เดินได้นะบางคนก็ไปทํางานก ล, ลัวไหม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 เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธไหมรู้จักไหม <Okay. S 2> หลวงพ่อพุทธสอนกรรมฐานเก่งมากเลยนะท่านสานกรรมฐานเหมือนไม่ใช่กรรมฐานเลย mm hmm. ท่านบอก mm hmm. ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดให <Okay. S 2> ้มีสติตามรู้เรืได้ๆไป <Okay. S 2> ตามรู้อะไรอะ่ะก็รู้กายรู้ใจร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำํำนะ <Okay. S 2> จิตมันก็ทําพูดคิดอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ก็รู้ทันมันก็ที่ปฏิบัติอยู่คือตามรูปแบบนี่ใช้ได้ไหมคะ S <S อย่าให้มันซึมก็แล้วกันน ะ, ะซึมไปเวลาเราทําสมาธิเราน้อมใจให้ซึอมอย่าน้อมอกระตุ้นใจให้กระพี่กับเปล่าไว้น ะ, ะต่อไปกราบหมาสการพระคุณเจ้าคะ่ะหนูคงจะเป็นศิษย์ใหม่นะคะก็จะกราบเรียนถามพระคุณเจ้าว่าในปัจจุบันเนี่ยหนูจะเป็นคนสวดมนต์ภาวนา นะะแต่ก็เคยมีความคิดว่าอยากจะนั่งสมาธิแต่ก็มีความรู้สึกว่านั่งสมาธิเนี่ยออไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ก็จะกลับเรียนว่าหนทางไหนจะเป็นหนทางที่นำสู่ในทางธรรมได้อะไรนะประโยค์หลังๆท้ายๆพูดว่าอะไรนะฟังไม่ออกก็คื อ, อ, อจะให้ท่านพระคุณเจ้าช่วยแนะชี้แนะให้นะคะว่าหนทางการภาวนาสดมนมภาวนากับการกำหนดจิตในการนั่งสมาธิ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 แล้วมันสงอบอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวตัวนี้สำคัญมากเลยเราก็อยู่ในโลกอย่างนี้แหละอยู่อย่างคนธรรมดานี้แหละแต่จิตเราสงบจิตเราตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้ไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งนะ <Okay. S 1> ถ้าเพ่งอยู่ไม่ดีจริงหรอกค <Okay. S 1> ่ะอ okay. าจาการนรศการค่ะคือว่าเมื่อาวานนะคะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเหมือนว่า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 ท่านไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายมีโทสะแล้วรีบละเสียท่านบอกแค่ว่าดูคราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะรู้ยังไง ร, รู้ว่าโทสะมันเป็นแค่สิ่งที่แปลปลอมเพรามมาชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดูอย่างนี้นะดูทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปดูสบายสบยอคือคือว่าดูดูแล้วค่ะแต่ว่า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 อันนี้จากพอนี้เห็นพดีที่เขาสวดมนต์เร็วค่ะคุณแม่ก็จะทักว่าสวดมนต์เร็วเกินไปอ่ะหนูก็แม่ก็แม่เขาชอบสวดชาว้าช้าพี่เขาชอบสวดเร็วเรก็แค่นั้นเองแม่ ค, ค่ะคือแม่ว่าเขาสวดเร็วแล้วมันจะไม่มีสมาธิหนูไม่ทราบว่ามันจริงไหยคะคือมันจริงบางอย่างจริงบางกรณีไม่จริงบางการณีอย่างเวลาที่ใจเราฟุ้งมากๆนะสวดเร็วๆร็เช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธถี่ถี่อย่างนี้นะ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 โดยมิภาสนาเนี่ยง่ายกว่านั้นจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีนะง่ายๆเลยรู้อย่างที่เขาเป็นรู้จนวันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นเลยนะมันไม่ใช่เราหรอกสั่งมันไม่ได้เอาตรงนี้ต้างหากไม่ใช่เอาดีเอาดีนะ้ามักน้อยเกินไปศา ส, สนาพุทธน้าภาวนาแล้วจุดสุดท้ายนละ้วมันเหนือดีเหนือชั่ว แต่พูดอย่างนี้ก็เสียงบางคนก็บอกถ้างั้นทำชั่วก็ได้เพราะว่าชั่วก็ดีเท่ากันถ้ามีสติจะทำชั่วไม่ได้นะคนทำชั่วได้เพราะขาดสติจาไว้นะดงนั้นเราฝึกสติเนี่ยถึงเราไม่ได้เป็นคนรักดีนะมันก็ดีโดยตัวของมันเอง หมยังยังค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วที่บอกคราวที่แล้วที่มาส่งหลวงพ่อค่ะบอกว่าใจอ่ะมันว่างๆแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปติดว่างมันเป็นเออตอนนี้ไม่ติดแล้วนี่ค่ะมันเคลื่อนออกมาแล้วดูออกไหมเห็นแล้วเออถ้าไปติดว่างนะกี่ปีมึงอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีปัญญาหรอกค่ะเราก็พอดีไปเข้าคอร์สมานะคะหลวงพ่อแล้วได้ไปทําเนสัตชีอ่ะค่ะที่ไม่นอนตอนกลางคืนนะคะก็ถวายเป็นกุศลให้หลวงพ่อด้วยนะคะโอ้ดีนะแล้วหลวงพ่อรับแล หลวงพ่อจะนอนไม่หลับเอนนี้โมทนานะแล้วหนูจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหลวงพ่อที่ฝึกมาดีขึ้นนะมีสติรู้กายรู้ใจไปไม่เพ่งก็เดินจงกรมปกติไดิไตเดิน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 ดังนันเดินแล้วรู้สึกกายเดินแล้รู้สึกใจไปเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันทํางานไม่ร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอก<ม>นะจิตใจที่ทํางานไปมันก็ทําของมันได้เองดูอย่างนี้นะแล้วก็มันมีแท็ติกนะมีเรื่องอะไรกลยุทธ์คือเวลาเราเดินไปสุดทางจงกลมเนี้ยอย่าเพิ่งหมุนตัวกลับ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 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระไตรจีวรวกับทั้งบริวารเหล่านี้แตบบ่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชว์ขอพระอาจารย์โปรดรับพระไตรจีวรวกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสั้งการละนามเถินขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการประประนานครห ล, ลวงนะครับเป็นตัวแทนถวายพระตาครับโยม ร, รับพ่หน่อยนะ ยถาวาริมหาปุราภริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอยโตทินังเปตาหนังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิดะเมวาสมิชโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติลาโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตตสัพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาฒนสี สิเลสนิจจังุทธาปั จ, จายิโนจั ต, ตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังสุ ภาวนานะรับพรก็รับไปตามธรรมเนียมหรอกไม่มีประโยชน์เท่าไรหรอกนะพรอย่างพระสอนนะตอนท้ายเห็นไหมอภิวาทนาสีลิ ส, สนิจังวุฒาปัจจัยยิโนนะจักรโรธรรมมาวันติอายุวนโนสุขังพลังคนที่เขารบผู้ใหญนะ่จะมีอายุวันโนสุขังพลังเห็นไหมต้องมีการกระทํานะถึงจะมีผลไม่ใช่ให้หลวงพ่อให้พรแล้วอายุวนโนสุขังพลังแล้ว อยู่กัว่าท่านผู้ว่าอย่างเงี้ยนะไม่เจริญหรอกเห <c oughs> ็นไหมศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาให้พรงมงายน ะ, นะทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งสิ้นเลยทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้สมควรกันทั้งสิ้นยุติธรรมที่สุดนั่นเป็นศาสนาแห่งการพึ่งตัวเองไม่ใช่ศาสนางมงายพัฒนาตนเองขึ้นมานะเราจะได้มีความสุข <c oughs> หมดแล้วจบไหม หลวงพอจะได้ไป